มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนเดกาปัญหาตัทยวัตรลกขานังเจตนาเจตนะปัญหาที่สามถามว่าพระองค์ตรัสว่าต้นไม้ไม่มีเจตนาเจรจาไม่ได้ เหตุไรจึงตรัสให้ภาระทวาชพรามไปพูดกับไม้สักคราะเล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ประกอบด้วยยานปรีชาภาสิตังเจตังสมเด็จพระโลกุุตมาจารย์มีพระพุทธดีกาโปรดประธานแก่พรามผู้หนึ่งว่าดูกระพรามท่านเป็นผู้ที่เล่าเรียน มีเพียรปราลบแล้วไม่มีความประมาทรู้จักดีรู้จักชั่วเป็นเหตุชไหนจึงไปพูดไต่ถามสุขไสยกะต้นไม้อันหาเจตนาบ่ไม่ได้ไม่รู้พูดไม่รู้เจราจาได้เนื้อความอะไรสมเด็จพระบรมไตรโลกนาตรัสพระภาชชนีปุณจจะครั้นมาสมัยใหม่เล่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาเจ้า มีพระพุทธดีกาตรัสบอกแก่ภาระทวาชพรามว่าดูกรภาระทวาชพรามท่านจงไปถามไม้สคร์พันธนโนรุโ ข, ขอันว่าไม้สคร้์นั้นปฏิภาสถะจะเจรจาตอบท่านแม้คําของตถาคตก็มีท่านจงสวนาการฟังคําตถาคตเชนนี้นี่แหละเป็นคําภายหลัง ครั้นจะเชื่อคาภายหลังที่ว่าพระองค์ตรัสแก่พรามว่าดูกะระารัทวาชะท่านจงไปถามาไม้สครอเถิดไม้สครอจะเจรจาตอบท่านและจะเชื่อคำภายหลังดังนี้คำเดิมที่ตรัส ก, กับพรามผู้หนึ่งว่าดูกะระพรามเป็นเหตุฉะไหนท่านจึงไปถามไม้อันหาเจตนาบ่ไม่ได้ไม่รู้พูดไม่รู้เจรจาดังนี้ก็จะผิด ถ้าจะเชื่อคำเดิมนี้คำภายหลังก็จะผิดอยังปันโโหอันว่าปัญหานี้เป็นอุพะโตโกติตะวานุกปัตโตมาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วจงโปรดระงับเสียซึ่งความสงสัยในการบัดนี้พระนาคเษศจึิงมีเทระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรสมเด็จพระโลกุตามาจารย์มีพระพุทธดีกาว่า รุขโขอาเจตโนไม้หาเจตนาบ่าไม่ได้คําเดิมตรัสชะนี้คำภายหลังตรัสให้ภาระทวารชพราหมไปพูดกับไม้สคร้อนนั้นตั้งปิวจนังอันวักคำที่ว่าไม้หาเจตนามิได้นั้นสมเด็จพระสัพพันยู่เจ้าตรัสตามภาษาสัตว์โลกพูดกันก็จริงอยู่ไม้ทั้งหลายนั้นหาเจตนาไม่ จะพูดจะเจรจาไม่ได้อปิจะยังข้อหนึ่งที่ว่าไม้สครอเจรจาได้นั้นนะบอพิษพระราชสมภารคือว่าเทวดาพระวิมานสิงอยู่ในไม้นั้นพูดเจรจาออกมาไม่เห็นตัวโลกก็บัญญัติเรียกว่าไม้พูดได้จะเปรียบฉันใดดุดเกวียนบรรทุกเข้าเปลือกไว้ที่จริงนั้นกระทำด้วยไม้ แต่ว่าเอาข้าวเปลือกบรรทุกไว้เขาก็เรียกกันว่าเกวียนข้าเปลือกที่แท้เกวียนนั้นจะกระทําด้วยข้าวเปลือกหาไม่ได้และความนี้มีครุวนาฉันใดรุโ ข, ข อ, อันว่าต้นไม้นั้นอะเจตโนหาเจตนาบ่ไม่ได้แต่ทว่าเทวดาสิงอยู่ในไม้นั้นพูดเจรจาโลกก็พลอยบัญญัติเรียกว่าไม้พูดได้ อุปมยเหมือนเรียกว่าเกลียนเข้าเปลือกนั้นอันหนึ่งเล่ามหาราชะขอถวายพระพรมีคารุว่านาเปรียบประดุดบุคคลกระทําทัติให้เป็นน้ํามันเปรียงที่จริงก็เอาทัตินั้นมากระทําก่อนเป็นน้ํามันเปรียงต่อเมื่อกระทําแล้วแต่เมื่อยังกระทําไม่แล้วก็เรียกว่ากระทําน้ํามันเปรียงความนี้มีอุปมาฉันใดก็ดีมหาราชะ ขอถวายพระพรบ่อพิษพระราชสมภารไม้นี้ก็ปานกันนั่นแหลด้วยเทวดาสิงอยู่ในไม้พูดออกได้โลกก็บัญญัติเรียกว่าไม้พูดได้ที่จริงไม้หาเจตนาบ่อมิได้จะเจรจาได้หาบ่อมิได้มหาราชาขอถวายพระพรเหมือนหนึ่งว่าบุคคลจะไปหาสิ่งของที่ต้องการเที่ยวถามไปทุกถิ่นทุกบ้าน ได้ยินเขาพูดว่าไม่มีก็กลับมาบอกกันว่าได้ยินเขาพูดว่าไม่มีโลกก็เรียกว่าผู้นั้นไปหาไม่ได้ที่จริงก็ได้ยินเขาบอกว่าไม่มีแล้วก็กลับมายะถาความนี้มีคารุวนาชันใดมหาราชะขอถวายพระพรความที่ว่าไม้พูดได้นี้ก็เหมือนกันอันหนึ่งเล่ามหาราชะ ขอถวายพระพรโลกทั้งปวงเข้าใจกันอย่างไรบัญญัติประการใดเข้าใจตามภาษาของตัวตามโลกสามัญชันใดก็ดีสมเด็จพระพิชิตามานโมลีก็ตรัสพระสธรรมเทศนาตามภาษาโลกเจรจาร้องเรียกนั้นพระพุทธดีกาสมเด็จพระมหากรุณาจะได้เป็นสองหามิได้ พระองค์ตรัสไปตามวิสัยโลกพูดกันเข้าใจกันอย่างนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาได้ทรงฟังก็สมโมสรโสมนัสตรัส้องสาธุการว่าสาธุสะพระเจ้าข้าปัญหานี้พระผู้เป็นเจ้าช่างแก้เป็นอันดีโยมนี้จะรับเอาถ้อยคำไว้ในการบัดนี้ลุก ข, ขานังเจตนาเจตนปัญหาเป็นคารบสาม จบเท่านี้